มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาสัตตมวักอนาคตะปัญหาที่สามถามว่า ท่านทำเพียนเพื่อจะดับทุกข์ที่เป็นอดีตรหรืออนาคตหรือปัจจุบันราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานตุมเหวายามทะททุกวันนี้พระผู้เป็นเจ้าพยายามกระทำความเพียนเพื่อจะให้บรรเทาทุกข์อันเป็นอดีตที่ล่วงลับไปนั้นหรือประการใด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 พันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีายาญพระผู้เป็นเจ้าว่าไม่เพียนเพื่อจะประหารซึ่งทุกในอดีตและอนาคตปัจจุบันนั้นก็พระผู้เป็นเจ้าเพียนเพื่อจะดับทุก์สิ่งไรพระนาคเสนจึงถวายพระพรแก้ไขว่าฉะนไหนบบพิทจึงถามฉันนี้เล่าอัตมาได้ถวายพระพรแก่บบพิทพระราชสมภารเจ้าไว้แต่ก่อนว่า